สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิตพระเยซูตอนที่สามร้อยเก้าสิบสามเรื่องมะเดื่อตอนที่สองนะครับเพราะวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่สิบเอ็ดข้อสิบเก้าถึงยี่สิบโปรดฟังเพระเาะวจนะของพระเจ้าเมื่อทอดพระเนตรไปทรงเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางก็ทรงดําเนินเข้าไปใกล้ เป็นต้นมะเดื่อนั้นไม่มีผลมีแต่ไวเท่านั้นจึงตรัสกับต้นมะเดื่อนั้นว่าเจ้าจงอย่าผลิตผลอีกต่อไปทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปขันเราสาวกได้เห็นก็ประหลาดใจแล้วว่าเป็นอย่างไรหนอต้นมะเดื่อจึงเหี่ยวแห้งไปในทันใดพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้เมื่อวานนี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าเป็น parable act ของพระเยซู คำว่า Parable Act ของพระเยซูนั้นก็คือการกระทำของพระเยซูที่กลายเป็นคำสอนซึ่งคำสอนที่ซ่อนอยู่นั้นเปรียบเสมือนกับเป็นอุ ป, ปมาอุปไมัยเรื่องต้นมะเดือ่อที่เล็งถึงชาวอิสราเอลนั่นเองพี่น้องครับอิสราเอลที่ไม่เกิดผลนะครับมีแต่ใบก็จะหยุดเกิดผลอีกต่อไป และอิสราเอลในสมัยของเปเรียสูหลังจากที่โปรงได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วอิสราเอลก็กลายเป็นมะเดื่อที่เหี่ยวแห้งไปในปีคอทช์เจ็ดสิบนะครับประเทศอิสราเอลก็ถูกลบออกจากแผนที่โลกก็คือการเสียกรุงของอิสราเอลในสมัยโบราณในปีคอทช์เจ็ดสิบถูกจงกองทัพโรมันได้ตี แล้วก็แตกไปในที่สุดเราจะเห็นได้ว่าการที่พระเยซูทรงสาบต้นมะเดื่อนั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงฤทธิอำนาจความเป็นพระเจ้าของพระเยซูและพระเยซูใช้สิ่งนั้นเป็นสื่อการสอนพวกสาวกครับพวกสาวกและผู้นําศาสนาชาวยิวในสมัยนั้นพระเยซูกําลังสอนว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกชนชาติอิสราเอลให้เป็นผู้นําของโลกเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางพระเจ้าต้องการอวยพรชนชาตินี้ และใเขานั้นเป็นพยานบุคคลของพระเจ้าประกาศให้โลกรู้จากพระเจ้าองค์เทียงแท้แต่ปรากฏว่าชาวอิสราเอลซึ่งเป็นชนชาติที่ดื้อดึงนั้นไม่เชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้าพระเจ้าจึงจําเป็นต้องลงโทษเขาคําว่าต้นมะเดื่อที่ต้องถูกตัดทิ้งก็จะมีอีกความหมายหนึ่งในคําอุปมาของพระเยซูในพระธรรมลู ก, กาบที่สิบสามข้อที่หกถึงข้อที่แปดเราจะเห็นได้ว่า พระเยซูกําลังพูดถึงต้นมะเดื่อที่จะถูกตัดทิ้งหากไม่ใช่ต้นมะเดื่อเล่งถึงอิสราเอลแล้วต้นมะเดือ น, นจะเล่งถึงใครครับก็น่าจะเล่งถึงคนที่จะต้องเกิดผลโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมลู ก, กาบทที่13ข้อที่6ถึงข้อที่8นะครับพระองค์ตรัสคำอุปมาต่อไปนี้ว่าคนหนึ่งมีต้นมะเดื่อ ต้นหนึ่งปลูกไว้ในสวนอ่งงูนของตนและเขามาหาผลที่ต้นนั้นก็ไม่พบเขาจึงว่าแก่คนที่รักษาเถาอัล่างงูว่านี่แน่เรามาหาผลที่ต้นมะเดือนี้สามปีแล้วแต่ไม่พบจงโคตรมันเสียจะให้ดินจืดไปเปล่าๆทาไมแต่ผู้รักษาเถาองุย์นั้นตอบเขาว่านายเจ้าค่ะขอเอาไว้ปีนี้อีก ให้ข้าพเจ้าพวนดินเอาปุ๋ยใส่แล้วถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดีอยู่แต่ถ้าไม่เกิดผลภายหลังท่านจงโค่นมันเสียพระเจ้านั้นเปรียบเสมือนกับเจ้าของสวนมะเดือ่อพระเจ้าประทานแผ่นดินปาเลสไตน์ให้กับชนชาติอิสราเอลหลังจากนั้นก็ให้น้ําพวนดินใส่ปุ๋ยแต่แล้วต้นมะเดื่อนั้นก็ยังไม่ออกผลครับ ในที่สุดเจ้าของสวนนั้นก็ตั้งใจที่จะตัดต้นมะเดื่อทิง้งการตัดต้นมะเดื่อนั้นเขาไม่ได้โค่นแบบเอาทั้งรากทั้งโคนทั้งอะไรออกนะครับเขาเอาขวา น, นจามนะครับขวานจามต้นมะเดือ่อตัดลงไปนะครับหลังจากที่ให้น้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแล้วไม่เกิดผลนะครับมีความหมายว่าพระเจ้า จะลงโทษคน อ, อิสราเอลเพราะความดื้อดึงในการที่เขาไม่ยอมรับแผนการของพระเจ้าในโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาไม่รับพระเยซูว่าเป็นพระเจ้าแต่เป็นพระผู้ช่วยรอดของโลกที่จะลงมาไถ่าบาปของมนุษย์ถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานชัดเจนจากคำสอนของพระเยซูก็ดีจากการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทาก็ดีหรือจากเหตุการณ์ต่างๆแวดล้อมก็ดี ปรากฏว่าแม้ว่าจะมีหลักฐานชัดเจนมากขนาดนี้แต่พวกเขาก็ยังปฏิเสธพระเยซูพระเจ้าจึงได้ลงโทษคนอิสราเอลดยการอนุญาตให้ทหารโรมันเข้ามาทำลายกรุงเยอเซียในปีคศ70ครับและในที่สุดคนยิวต้องออกจากประเทศก็จะกระจายไปอยู่ตามส่วนต่างๆของโลกเหมือนกับเอาขวานมาตัดต้นมะเรีอพระคัมภีร์ตอนนี้ทาให้เราได้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้ว มีต้นมะเดือ่อปลูกไว้และก็มีคนที่รักษาเถาอางุ่นเพื่อนคับจากตรงนี้นี่เองถ้าเราอ่านเพลินเพลินเราก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมต้นมะเดื่อันอยู่ในสวนองุ่นได้ยังไงหรือทำไมต้นไม้สองต้นเนี้จะต้องถูกปลูกไว้ด้วยกันพี่น้องครับมีคนพยายามอธิบายเรื่องนี้ก็คือต้นมะเดื่อนั้นเล็งถึงอิสราเอลครับ แต่เาวังุ่นนี่น่าจะเล็งถึงคือเตียนหรือคือจักรเพราะฉะนั้นในช่วงที่พระเยซูได้กล่าวกับอุมาณี้ในพระธรรมลูกลาบทที่สิบสามข้อหกถึงข้อที่แปดนั่นเองก็แสดงว่าเป็นการอยู่ด้วยกันขององุณเทวังุ่นนะครับและเป็นการอยู่ด้วยกันระหว่างเทวังุ่นกับต้นมะเดือ น, นี่เองพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องเปิดในพระธรรมโยเอลบทที่สองข้อยี่สิบสองก็จะมีวลีสุดท้ายบอกว่าหลังจากที่แผ่นดินนั้นได้ถูกทำลายลงและในยุคต่อมาซึ่งเป็นยุคสุดท้ายนั้นแผ่นดินก็จะได้รับการอวยพรและการอวยพรนั้นก็จะเป็นการอวยพรที่ต้นมะเดือ่อและเสาหงุ่นนั้นจะออกผลในสวนเดียวกันพี่น้องครับ เมื่อเราพิจารณเรื่องนี้เราก็อาจจะเข้าใจได้ว่าในยุคสุดท้ายก็คือยุคของพวกเราที่เรามีชีวิตอยู่นั้นจะมีคริสจักรและในขณะเดีวยวกันก็จะมีประเทศอิสราเอลซึ่งสอดคล้องกับคำอุหมาของพระเยซูในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ32และ33พระเยซูสอนอย่างนี้นะครับ จงเรียนคำเปรียบเรื่องต้นมะเดือ่อเมื่อแตกกิ่งแตกใบท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้วเช่นนั่นแหละเมื่อทั้งหลายเห็นบรรดาสิ่งเหล่านั้นก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้วแล้วบอกความจริงแก่ทั้งหลายว่าคนในชั่ว ย, ยุนี้จะไม่ล่วงลับไปก่อนสิ่งทั้งปวงนั้นจะบังเกิดขึ้นฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคําของเราจะสูญหายไปก็หาไม่ได้เลยชนชาติอิสราเอล ได้รับการลงโทษจากพระเจ้าต้องละหกละเหินไปอยู่ตามประเทศต่างๆเป็นเวลาเกือบสองพันปีและกลับไปรวมตัวกันเป็นประเทศใหม่ในปี1948ครับพี่น้องในปี1948นั้นชนชาติอิสราเอลก็เปลี่ยกเสมือนกับต้นมะเดื่อที่เคยถูกตัดออกจากลำต้นขณะ น, นี้กำลังแตกกิ่งแตกใบอยู่นับตั้งแต่วันที่อิสราเอลได้กลับมาครอบครองแผ่นดินปาเลสไตน์พวกเขาก็ได้พลิกฟื้นแผ่นดินที่แหงแล้ง เป็นป่าเป็นนา้านั้นให้กลายเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เขียวชอุ่มสามารถเพาะปลูกได้และส่งผลผลิตทางการเกษตรไปขายทั่วโลกครับพี่น้องครับประเทศทั้งหลายเจ็ดประเทศที่ประกอบนะครับไปด้วยอียิปต์จอร์แดนซีเรียอิรักซาอุดิอารเบียเยเมนเลบานอนไปรวมพลังกันทำสงครามอิสราเอลหวังว่าจะลบประเทศอิสราเอล ห, หายไปได้แต่ยิ่งทาสงครามอิสราเอลก็ยิ่งได้พื้นที่กลับมา คนอิสราเอลในกรุงเยอเซมนั้นมีจํานวน 80,000 คนในเวลานั้นพี่น้องครับคนอิสราเอลที่อยู่ในปาเลสไตน์มีจํานวน 650,000 คนแต่กลุ่มประเทศอาหรับมีจํานวนรวมกัน40ล้านคนทหารจิตอาวุธอีก 1.5 ล้านคนพี่น้องครับถ้าเทียบกันแล้วในสมัยนั้นครับก็คือ100กว่า1ครับก็คืออาหรับ100บกว่ออิสราเอล1คนพี่น้องครับพระเจ้า ได้ส่งพริกฟื้นอิสระเอวขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่บอกเหตุครับว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นความจริงพระเยซูทรงสอนชัดเจนนะครับว่าคาถ้อยคำของเราจะสูญหายไปก็มิได้เล ย, ยนนใน่องกับในเช้าวันนี้ผมอยากจะจบคำแบ่งปันด้วยเรื่องราวเรื่องหนึ่ง มีครั้งหนึ่งครับกษัตริย์เฟเดริกมหาราชของเยอรมันถามผู้ประกาศข่าวประเสริฐคนหนึ่งบอกว่าท่านจะใช้วิธีใดที่ง่ายที่สุดที่จะพิสูจน์ว่าพระกัมภีร์นั้นเขียนขึ้นโดยพระเจ้าเกิดจากการดนใจของพระเจ้าผู้ประกาศผู้รับใช้พระเจ้าผู้นั้นก็ตอบกษัตริย์เฟเดริกมหาราชว่าผมมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าพระกัมภีร์นั้นเป็นจริง ก็คือชนชาติอิสราเอลนั่นเองชนชาติอิสราเอลนั้นเป็นข้อพิสูจน์ที่ง่ายที่สุดว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และพระเจ้ามีจริงเพราะชนชาติอิสราเอลนั้นเป็นเหมือนตัวละครของพระเจ้าพี่น้องครับในสมัยของเรานั้นการที่ชนชาติอิสราเอลกลับมาตั้งประเทศใหม่นั้นเป็นหมายสําคัญอย่างหนึ่งที่ พ, พรนพีได้พยากรณ์ไว้และสําเร็จเป็นความจริงสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเราในวันนี้ก็คือ เราเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูแล้วหรือยังพระเยซูสอนให้เราดูนะครับต้นมะเดื่อที่กําลังปรีใบนี่ปริใบามาหลายสิบปีแล้วนะครับและเราจะเห็นถึงว่าน้ําบัตไทยของพรงศ์ก็จะสําเร็จมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นใหม่มากขึ้นเรื่อยๆตามคําพยากรณ์ที่ได้พยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีความศรัทธาในความเชื่อมั่นว่าพระเจ้า มีจริงในขณะเดียวกั น, พ, นกพระเจ้าได้ยืนยันว่าจะไม่มีสักคำเดียวที่จะสูญหายไปไม่มีสักคำพยากรเดียวที่จะไม่เกิดอเมน